ยินดีต้อนรับสู่ช่วงของรายการคุยธรรมะที่มีกับพระชาติพระไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไหลโศกมาเป็นผู้ที่พูดคุยกับท่านผู้ฟังดังที่ที่ และมาจากที่ท่านพระท่านพุทธทาสอินทปัญโญ ท่านก็เอามาจากต้นฉบับที่เป็นภาษาบาลีที่มาจากเอ่อสยามรัฐบาลีสยามรัฐแล้วหนังสือ พูดประมาณจ้ะโปรดอ่าในที่เกี่ยวกับ หรือว่าทําความเข้าใจมันหลากหลายเรื่องนี่อัน ซึ่งบางเรื่องนั้นก็สั้นบางหรือบางเรื่องมาซึ่งก็แล้วแต่ความเหมาะสมที่ท่านได้เป็นผู้ที่คิดค้นและทําตรงนี้ขึ้นมาอันนี้ก็จึงเป็นความดี โดยด้วยการที่ทําการใช้ปัญญาๆที่จะ นั่นก็ 2 022690060 หรือว่า 022690006 ทัศนดุคทางเว็บไซต์เข้าไป 106 แล้วก็จะสามารถ ท่านเมนโดโกเกษาสารก็ได้เขียนข้อความมายาวเหมือนกันนะก็จะสรุปให้ท่านซึ่งอาราลวัฏฐสูตรนั้นเอ่อท่านมีอานิสงส์หลายอย่างเอ่อ แล้วก็ได้ถามว่าเอ่อการสวดต้องสวดยังไงสวดแล้วจะมีประโยชน์อย่างไรนะการสวด เอ่อก็สามารถตอบอย่างนี้ได้ประโยชน์อยู่ประโยชน์ตรงไหนบทสวดก่อนนะครับการว่าสวดการสาธยายเช่นลักษณะสุดคูณแม่ 2 แม่ 3 นะ 2 1 2 2 2 4 แม่ 24 นั่นๆเนี่ย หลายๆคนก็ยังท่องจําได้อยู่นะท่องซ้ําๆย้ําๆเพื่อให้จําได้นี่ก็จุด บางคนจําได้น้อยจําได้สักบทเดียวโอ๊ยนั่นดีมากแล้วแต่ถ้าเรารู้จักเอา อรหันสมมุโธนี่โหยถ้าเราเข้าใจจริงๆนะว่ามันแปลว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้นะพระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันตรัสรู้ชอบได้โดยตนเองเอาแค่คําเนี้ยมีความ มันไม่ธรรมดาต้องสร้างบารมี 42 ไฉยแสนมากับต้อง นะแทนตลอดด้วยดีด้วยความเห็นความเห็นในที่นี้มันต้องเป็นความเห็น อัปเปี่ยมทั้งความเข้าใจทําพยายามทําที่จะท่องให้ได้มีปีติสุขจิตตั้งตั้งมั่นเนี่ยยิ่งประโยชน์นั้นตรงที่ตั้งมั่นแล้วเราสามารถที่จะเห็นตามที่เป็นจริงแล้วเราปล่อยวางได้สิ่งใดๆมากระทบเราไม่กระเทือนแล้วทําไมเราถึงไม่กระเทือนเพราะเราหลุด อันนี้ถึงจะถูกนะจุด คิดว่าเราจะรู้ทําได้บรรลุทําได้ด้วย จริงๆแล้วกับอาจารย์คิดว่ามันอยู่ตรงที่ว่าคนที่เอ่อใกล้อายุ 60 ขึ้นไปใน 70 80 90 พวกนี้เนี่ยจะมีอ่า จะมีความระแวงจะมีความระแวงเดี๋ยวจะมีความกังวลตรงที่ว่าเอ่อเปรียบเสมือน นะว่าเราจะไปสู่ที่ที่ไม่ใช่คนดีเค้าทําไปกันที่ที่มันได้แต่คนที่เครื่องสร้างป้องกันความหวาดกลัวเค้าจะไปกันนั่น นะคนที่ไม่ได้ทําเครื่องป้องกันความหวาดกลัวไว้เนี่ย ทำความดีความความดีมากความดีน้อยมันก็มีใช่มั้ยชีวิตที่ผ่านมาเราทําบาปก็มีทําบุญก็มีนะไอ้บาปๆเนี่ยมันๆก็ได้ 365 วันนะหรือว่า 7 วันเลย 7 หรอก 24 ชั่วโมงที่ 24 ชั่วโมง มัน 1, 1 2 เหตุการณ์เท่านั้นน่ะที่วันวันนี้เป็นเรื่องสําคัญสําคัญ 24 ชั่วโมงที่เราจําอะไรไม่ได้เหมือนใน 24 ชั่วโมงน่า 1 2 เหตุการณ์นั้น 1 2 เหตุการณ์ของแต่ละ 1 2 เหตุการณ์มีสัก 2 เหตุ 7 วัน 14 เหตุการณ์ 44 เหตุใน 1 สัปดาห์ 1 หรือ 2 เหตุ ใน 1, 1 หรือ 2 หรือ 3 เหตุการณ์ใน 1 สัปดาห์ที่ 12 เหตุ 1 เดือนแต่ 3 เหตุเด 1 เหสัปดาห์นะ 3 4 12 เดือน 1 ไม่ 12 อันหรอกมันก็สัก 2 อัน 3 อัน 1 เดือนนะที่ 1 เนี่ยคุณทั้ง 3 3 12 นะ 12 3 36 เหตุ น่ะไม่ใช่ว่า 1, 1 2 หรือ 3 เหตุการณ์ในปีนั้นที่นี้มีไฮไลท์อะไรปีนี้มีเรื่องสําคัญดีหรือไม่ดียังไงน่ะปีนั้นเราจําแค่ 3 2 หรือ 1 เหตุการณ์เท่า 10 ปีที่ผ่านมา 30 เหตุการณ์เราจําได้สัก 2 หรือ 3 เหตุการณ์ 10 ปีที่ 1 เหตุการณ์ด้วย ในช่วงชีวิตของคุณที่ผ่านมาในช่วงชีวิตของคุณที่ผ่านมาชีวิตของทั้งทั้ง 20 ร้อยหรือว่า 1,000 เหตุๆหมื่นๆแสนๆ1 2 หรือ 3 อันเท่านั้นน่ะหรือ มันเป็นเรื่องที่เป็นกุศลหรือเรื่องที่เป็นอกุศลเรื่องที่เป็นกุศลหรือเรื่องที่เป็นอกุศลมันจะมาตามหาเราตอนที่เราใกล้ๆแล้ว นะคะเป็นความร้อนใจความกังวลใจนะแปลออกมาคนร้อนใจคนกังวลใจเป็นพูดไม่ดีมีความคิดต่างๆนานาไปทั่วที่ทั่วแดน